ทางมือทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายนีลยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจเมื่องแน่ต้งแต่ปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปลอมถ้าหากว่าร้านกอเป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นหลังร้านหนึ่งถูกของปลอมปิดไว้อย่างนิดคิดอีกด้วยจึงไม่สามารถแสดงตัวได้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 เพราะของปลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั้นจากลอมไปด้วยไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากจิงจอมตลอมอยู่แล้วภายในจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้ น, นมาได้อย่างไรการรื้อฟื้นการขุดค้นการปลดเพลื้องการแก้ไขสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อย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 ที่พระองค์จะต้องรับประกันนี้รับรองข้าพระองค์เราจะถาก็เช่นเดียวกันนะเราก็หมดภาระในการที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันกลับเธอรับรองเธออยู่แล้วหรือว่าเราเป็นผู้หมดฐาระที่จะรับรองเธอเช่นเดียวกันนะนี่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วคือขั้นที่ตึ้งตนเองได้แล้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้าเราก็ตาม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 นี่เคลเรื่อ ง, องของกลอมของจิงมาทางทั้งหลายด้วยนี้พิจารณาแก้าขตนเองตงัวเองค็อผมากทุกว่าออกเพียงกรนี้ยัางรถอะไรมันยุ่งจริงเขาปิดแล้วยกออกมาเลยลม <c ười>